ว่าตึกหลังนี้หลวงพ่อเองก็ได้เข้ามารับผ้าป่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สมหรือเปล่าที่หลวงพ่อได้เข้ามาและก็ส่วนอื่นกองหลวงพ่อก็ได้ทยอยช่วยๆอยู่ที่ตึกซ i c IC u หลังนี้เนะี่ยเพราะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีเพราะนั้นพี่น้องจตยางญาติโยมทุกหมเหล่านาทีนั่งอยู่ที่นี่นะ อย่าได้พลาดอย่าได้พลาดโอกาสในการทําบุญในคราวนี้หลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราได้ทําบุญนะ่ยหว่านพืชไม่เสียไม่ผิดสถานทีนะ่เหมือนกับเราจะปลูกข้าวนะ่ยถ้าเราปลูกข้าวเนี่ยเราถ้าเราไม่คิดไม่อ่านอะไรเนี่ยเอ๊ะปลูกที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นแหะปลูกที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละข้าวอแล้วกักรรมกรรมข้าวปลูกแล้วก็หวานเข้าไปในปา่าในลง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 ไปซื้อยาเจ็บติดให้มันกินยาบ้าให้มันกินอพอมันกินเข้าไปแล้วมันไปฆ่าคนทีทีทั้ทงที่เราจะเป็นได้บุญกับได้บาปอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะว่าเราหว่านพืชผิดสถานที่เนีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่า น, นี้นะขอให้พวกเราทั้งหลายได้คิดพอหลวงพ่อพูดสถานที่ใดก็ตามหลวงพ่อจะพูดสุดโตรงสุดโตรงข้างใดสุดตรงข้างหนึ่งเพื่อให้พวกเราได้คิด ถ้าพูดกำกำกึงๆึงเนี่ยดยมากเราจะไม่ค่อยได้คิดกันนะแล้วก็เมื่อวานวันวานมันก่อนมีศรัทธาญาติโยมเข้าไปไปถ่ายทำวิดีโ อ, อถ่ายทำเขาว่าจะออกจะออกข่าวจะออกข่าวลวงพ่อไปอทั่วโลกเขาวางกันนะแล้วก็เขาจะออกช่องไหนไม่รู้เราลวลงพ่อจาไม่ไดเ้เพราะลงพ่อไม่ได้สนใจแต่เ้าก็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 จะเข้าประชาคมอาเซียนด้วยกันกับประชาคมอาเซียนนี่ก็มีมากหลากหลายทั้งการศึกษาทั้งกเกษตรทั้งการทำมาค้าขายมีหลายระดับแต่พวกเราจะเข้ามาอยู่ขนาดประเทศไทยแทย้ๆก็ยังเอออิเลตุ่มเป๊กกันไปเ อ, อยังพูดกันไม่รู้เรื่องและจะเอาต่างชาติเข้ามาเนี่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเนี่ยน่าคิดอีกเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะ แต่หลวงพ่อก็บอกเออเอาหลวงพ่อจะให้แนวความคิดแบบพระป่านะอย่างพ่อหลวงพ่อเป็นพระอยู่ในป่าหงพงไพนั่นลูกหลานก่อนที่หลวงพ่อจะพูดในเรื่องนั้นต่อไปหลวงพ่อจะขอแนะนําตัวก่อนหลวงพ่อบอกนะหลวงพ่อขอแนะนําตัวก่อนเพราะว่าพอพูดเอ๊ะพระองค์นี้มาจากไหนพูดยจงไงนี่เรียกว่าท่านทำไมมีความคิดอย่างนี้นะอท่านบวชมานานเท่าไหร่ เออท่านอยู่ยังไงแต่ท่านได้เป็นเจ้าขุนหรือท่านได้เป็นมหาอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนผะู้ที่ได้ยินได้ฟังคงจะสงสัยอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อจะขอพูดให้ฟังเลยหลวงพ่อเนี่ยเออเป็นชาวมุกดาหารเออบวชเมื่ออายุ 11, ิอบสองปีอายุบอต่อสิบปีเออจบป่เออบวชที่วัดภูเจาก้ออำเภอมุกดาหาร แล้วก็วัดหลวงปู่ล่าเขมอปัตโตวัดบนพศคีรีภูเจาอก็อบวชเมื่ออายุ11ปีย่าง12บจบปสอ่พ่อบวชปีนั้นปี 2,500 ตรเนี่ยงพ่อบวชปี 2,500 นห้นันหลูกหลานนะเป็นสมณเณรอยู่8ปีปีปปี08ย์หลวงพ่อก็ได้บวชเป็นพระเป็นพระตัต้งแต่ปี0ูย์จนมาถึงปี 2,556 หสห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 มรณภาพที่บันห้วยทรายมุกดาหารที่ศพของท่านยังอยู่เนี่ยอันนั้นคือหลวงอาเนี่ยจะจะได้พระราชทานเพลิงศติละของท่านวันที่ห้ามกราเนี่ยนะวันที่หมกราห้าเจ็ดเน่ยนะเชิญไปเน้่ยลูกหลานเนี่เป็นหลวงอาของหลวงพ่อแท้ๆนะอันนี้ก็คือหลวงปู่จามที่หลวงพ่อมาอยู่ด้วยจากนั้นหลวงปู่จามท่านมาเฝ้าโยมแม่ของท่านพอแม่ยมย่าพ่อยมย่าจากไปยมย่าเป็นแม่ชีนะ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 เข้ามาในโรงแรมเข้ามาแล้วกันนะั่นเจ้าของโรงแรมพวกพนักงานของโรงแรมหาความสุขไปได้เพราะเพลิดเพลินเอาทั้งหมอนเอาทั้งผ้าหม่มเอาทั้งผ้าปูที่นอนใส่กระเป๋าไปด้วยอย่างนี้ก็มีที่หลวงพ่อได้ยินนะเพราะนั้นนะเราก็รู้สว่าไปที่ไหนเราจะไปขโมยเขาทํำไมอะไรมากมายเพราะเขามาต้อนรับขับสู้เรานี่แหละสียงเหล่านี้แหละ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 จะไม่ทําความชั่วยอย่างอื่นเป็นไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าท่านทานายไว้แล้วเพราะฉะนั้นสินข้อที่4ก็เป็นสิ่งที่สําคัญศินข้อที่5สุราเมรยามัชฌะปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาสสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์ถ้าใครก็ตามดื่มเหล้าและเบียร์มึนเมาขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างแต่ทุกวันนี้สงเคราะห์เข้ า, ขาลหลายอย่าง อย่างยาบ้ายามา้าคัญชายยาฝิ่นเฮโรอีนมีมากมายที่ยาเสพติดเข้าไปแล้วทําให้สมองขาดสติปันปวนเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะลาบละลระรวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะอะไรเพราะคนขาดสติเราก็รู้อยู่แล้วว่าดื่มเข้าไปเสพเข้าไปต้องขาดสติแล้วจะไปเสพไปดื่มทําไม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 อันนี้คือข้อที่หนึ่งบทที่หนึ่งบทที่สองหลวงพ่อบอกว่าให้มีคาราวะาธรรมธรรมของคารวะธรรมของคาราวะา ท, ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มีอยู่สอย่างสัจจะเ อ, อ่ขึ้นต้นเลยนะการอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะเอ่อ่สัจจะธรรมขันติจาคะสัจจะ ค, คือความจริงจังและจริงใจต่อกันถ้าเราจะจ่ายเงินเมื่อไหร่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 ให้รู้จักข่มจิตของตนคือคนเรามันรองมีขึ้นมีลงบางทีก็โมโหโกธาคนอื่นบ้างแต่ว่าเราก็ต้องอดทนต้องมีการยับยัง้ง เ, เพราะเหตุไรเพราะบางเรื่องบางยาวอย่างเรายังไม่ชัดเจนว่ามันผิดหรือถูกอย่างไรไม่ใช่ว่าเราเนึกเขาพูดอะไรให้ฟังกันึกโมโหโกธาปรามไปเรื่อยอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก เพราะนั้นบางเสียงบางอย่างต้องข่มใจตัวเองนะได้ยินเสียงอะไรมาก็ดีได้เห็นอะไรมาก็ดีต้องข่มใจไว้ก่อนอย่าพึ่งเผิงผง ผ, งผางออกไปทําให้เสียหายได้ง่ายนะอันนี้ก็คือธ่ามะให้รู้จักขม่มจิตใจของตนเองข้อที่สขันติให้มีความอดทนความอดทนกรรมคำนี้นะี่ยมีมากห ล, หลายจนเมื่อวานเราไปทาการทางานหิวกระหายก็ต้องอดทนออรอดถูก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 หาเงินมันด้วยความยากลําบากแล้วไปให้คนอื่นเขาถ้าพวกเราคิดได้เพียงแค่นั้นนะ่ประเทศชาติบ้านเมืองหรือว่ากลุ่มของเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้นะหมาก็อยู่กับเราไม่ได้แมวก็อยู่กับเราไม่ได้ไม่ว่าแต่คนลูกเต้าเล้าหลานอยู่กับใครไม่ได้คนกี้ตะนีทีเนียวนะ่ะเพราะนั้นเราต้องเสียสละพอสมควรให้รู้จักเก็บให้รู้จักหาและให้รู้จักเก็บและก็ให้รู้จักใช้นะ เออไม่ใช่ว่าเก็บทั้งหมดไม่ใช่จะให้ทั้งหมดเออแล้วต้องหาแล้วก็เก็บแล้วก็ใช้อันนี้เรามาใชนะ้ใช้ให้เกิดประโยชน์นี่แหละคือการเสียสละนี่แหละหลวงพ่อได้พูดระหว่าคฆราวาสธรรมธรรมของฆร า, าวาสํำหรับฆร า, าวาสก็คือโยมผู้หญิงโยมผู้ชายนะ่ว่าฆวาสปนะัญประชิตก็คือสักภิสุสัมมาเนนฆราวาสก็คือญาติโยมนี่แหละ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 เออเน่แต่ธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทิศหกเนี่ยทิศสนี่คือตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นะทิศ8ก็คือทักษิณอาคเนหิพายัพเนี่ยอันนี้แหละทิศ8แต่ว่าทิศหเนี่ยยังไม่มีแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้เคารพทิศหนะจึงจะเจริญถ้าผู้ใดก็ตามอยู่ในกรอบหรืออยู่ในขอบเขตของทิศหคารวะทิศห นอบน้อมทิศหกกราบไหว้ทิศ6กพวกนั้นกลุ่มคนชุมนั้นชุมชนนั้นจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวทิศ6กนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านว่าทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนทิศ ต, ตะวันออกนะมารดาบิดาอยู่ทิศ ต, ตะวันออกพอเราเกิดขึ้นมาแล้วเราจงหลับตาใชเ่เด็กเกดไหมมันหลับตา ม, มันลืมตามไปขึ้นใช่ไหม พอลืมตาขึ้นมาก็จะเห็นพ่อแม่ก่อนพ่อแม่อยู่เทียงทิศตะวันออก เ, อเหมือนกับทิศตะวันออกเอาเราลืมตาขึ้นมาก็เห็นพ่อเห็นแม่ก่อนเพื่อนนี่แหละอันนี้ก็คือทิศเบื้องหน้าคือมารดาปิดามารดาบิดาเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบพระพุทธเจ้าท่านเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจระของท่านดำรงวงศุลประพฤตตน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 ประพฤตตน่ประพฤตตนเอย่าเป็นคนเกเรอย่าเป็นคนกินเหล้าเมายาจะมาจมาเลเทเมาประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกคือเป็นคนดีเอจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของพ่อของแม่จนจนพ่อแม่มอบความไว้วางใจแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้นี่แหละแล้็ข้อที่สุดท้ายก็คือว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านนี่แหละหน้าที่ของบุตรธิดา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 เทศเพื่องสายคือพิษสหายเป็นกัลยาณมิตรต้องหากัลยาณมิตรแต่จะให้มิตรที่ดีทีเดียวทั้งหมดทุกอย่างก็คงเป็นไปอย่างนั้นได้ยากแต่ขนาดตัวของเราเองบางครั้งก็ยังรูบๆโอนๆก็ยังมีอยู่แต่ก็พยายามดูเป็นส่วนใหญ่อดูว่าเออถ้าเราได้คบกับคนนี้เขาคงจะไม่ทําให้เสียหายเขาไม่ติดยาบ้าเขาไม่เป็นคนค้าของเถื่อนออลักษณะอย่างนั้นแหะ ถ้าเราไปคบอย่างนั้นเข้าไปแล้วกันเผลเผลอเราอาจจะติดคุกติดตารางกับเขาก็ได้นะเพราะฉะนั้นการนันยานามิตรต้องมิตรที่ดีนะป้าพมิตรมิตรชั่วนะอันนี้คือคิดเบื้องซ้ายมิตรคิดเบื้องต่ําทิดเบื้องต่ําบ่าเบา่เบาคล้ายๆกับว่าลูกน้องบริวารของเราเมื่อเราเป็นหัวหน้าอย่างผู้จัดการธนาคารก็ต้องมีต้องมีลูกน้องอย่างหลวงพ่อนี่เหมือนกันเป็นสมภารวัดก็ต้องมีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารของเราเนี่ยแหละเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเรา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 เราสั่งการสั่งงานตัวไหนไปลูกน้องบริวารเขาก็ทําหน้าที่ให้เต็มที่เพราะเหตุไรเพราะเขาไว้เนื้อเชื่อใจในเจ้านายของเขาในหัวหน้าของเขานี่แหละทิศเบื้องต่ําบ่านะเราก็ต้องดูแลอีกส า, าราถูกสุขดิบของเขาแล้วก็ทิศเบื้องบนสมณพราห ม, มณพราหมณ์ก็อย่างหลวงพ่อนี่แหละกําลังแนะนําสัง่งสอนลูกหลานอยู่เนี่ยยกตัวอย่างนะแต่สมกูบาอาจารย์ทั้งหลายก็คื อ, คอสมณพราหมณ์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 ชีวิตนี้มันไม่ใช่ยั่งยืนนะเห็นไหมคนร้อยปีมีกี่คนเราจะของเราล่ะอีกนานเท่าไหร่ออีกสักวันหนึ่งนะอ่เราก็จะต้องล้มหายตายจากโลกนี้ไปเพรา ะ, ะนั้นอย่าประมาทเกินไปนะลูกหลานนะสั่งสมคุณงามความดีนะบาปบุญคุณโทษมีจริงนะนรกสวรรค์มีจริงนะตายแล้วไม่สูญนะให้ประกอบคุณงามความดีนะให้รักเคารพพ่อแม่นะ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 สังเขปหรือว่าเข้าใจได้ก็คือทิศเบื้องหน้ามารดาปีดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่าเบ่าลูกน้องบริวารทิศเบื้องบนส ม, มณะพรามนะแล้วก็คารวัตธรรมอีกหนึ่งคารวัตธรรมสสัจจะให้มีความจริงจังและจริงใจต่อกันธรรมะ ให้รู้จักข่มจิตของตนเมื่อจิตของตนโมโหโกธาและก็ขันติให้มีความอดทนในที่ทุกสถานคนที่มี ข, นขันติคือความอดทนแล้วไปอยู่นสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายถ้าหากว่าเป็นคนมีอารมณ์ร้อนโมโหโกธาไปที่ไหนใครก็รังเกียจเตียดสันง่ายๆเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ไม่ดีนี่แหละให้ขันติมีความอดทนข้อที่สี่จาฆ่า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 ปริญญาตรีโทเอกเรียนกันมาเป็นทุเท่าไหร่ เ, เงินแต่ละปีเนี่เสียค่า เ, าเรียนศึกษานี่กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนล้านาไปเรียนต่างประเทศอีกต่างหากมีตัวร็อกเตอร์ทั้งนั้นแต่ทําไหรเอามาทําไมไม่เอาความรู้ความฉลาดสติปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติของตนเองทําไมเอาแต่ความโมโหโกธาเอาทําไมแต่ความโลภโกรธหลงามาห้า ม, มาหันกัน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 หลวงพ่อจะวอกพูดให้ฟังหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อเองก็มีวัดเหมือนกันนะมีลูกศิษย์ตั้งสี่0ิบห้าสิบองค์นั่นมีญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแต่ละวันนี่มากมายมหาศาลวัดหลวงพ่อกระพันกว่าไร่และมีเียนาสนะอะไรทุกอย่างเอ่อวรลยหารจัดการในวัดของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเวลานั่งภาวนานะหลวงพ่อนั่งภาวนากลางคืนหรือว่าเดินโยมนั่งภาวนา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 จะได้มาพูดเรื่องบุญกับบาปทีนี้เนี่ยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับนะขนาดปล่อยวางอย่างนั้นแล้วเนี่ยปล่อยวางอย่างนั้นแล้วท่านให้ดูนะท่านวานนะตายแล้วไม่ศูนยะ์นะคานี้แหละเขาบอกตายแล้วไม่ศูญยอา้าวหลวงพ่อเอาคําไหนมาพูดหลวงพ่อเอาคําของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดเพราะพระพุทธเจ้าท่านยืนยัน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 ท่านรู้ได้ว่าร่างกายของเราเหมือนกับรถทันวันนะร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจของเราเหมือนกับคนขับรถนามธรรมาตัวผู้รู้นี่เหมือนกับคนขับรถแต่ร่างกายก็เหมือนกับรถแต่รถคันนี้มันรถพิเศษสักหน่อยมันมีสมองออมันมีทุกอย่างหัวใจมันมีเครื่องยนต์กลไกอยู่แต่เกิดมาเท็ทีแรกเท่านันนะ้แต่ทันีโซเฟอร์เข้ามาเข้ามาใช้รถคันนี้นะี่เออ แต่พวกเราท่านทั้งหลายวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขามองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวนามธรร ม, าามเขามองแต่เห็นแต่รูปปธรรมรูปประธรรมคือร่างกายเห็นแต่รูปร่างกลางตัวเนี่ยแอบเลือกไเอาเครื่อง เ, อเครื่องมือแพทย์เขามาจับเต้นหัวใจเต้นสมองเต้นขื่นสมองอะไรลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงเพราะพระไตรปิฎท่านไปนั่งภาวนาเนี่ยท่านรู้เลยว่านามธรรมตัวหนึ่งนะ่ยมาใช้สมองอีกที่หนึง่งเหมือนกับ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 มนโนปุพังเขมาธรรมามนโนเสรษามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจท่านในความสําคัญโซเฟอร์มากกว่ารถนะในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาเพราะนั้นตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบา บ, บุญกุลบิดมีจริงนรกสวรรค์มีจริงกรรมชั่วอย่าทํำเสยเลยดีกว่าเมื่อทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลติดตามเมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเนะ้ออย่าไปทํากรรมที่มันไม่ดี